หนูมีประโยคประโยคอาจจะยาวนิดนึงนะคะแต่ว่าหนูอยากจ ะ, ะพูดให้หลายท่านฟังนะคะว่ายิ่งเราพูดถึงแล้วก็ความคิดอะไรเงี้ยถ้าไปเกี่ยวเนื่องกับมันก็ยิ่งจะทาให้เราเนี่ยออกนอกลูก่นอกทางไปจากความจริงนะคะลองอตรหนักรู้แล้วก็ลองหยุดพูดรวมถึงหยุดคิดแล้วจะไม่มีอะไรนะคะที่เราไม่สามารถเข้าใจได้นะคะ การหันกลับไปสู่แหล่งกําเนิดเนี่ยทําให้ค้นพบความหมายแต่ว่าการไล่ตามสิ่งที่ปรากฏเนี่ยทําให้พลาดไปจากแหล่งกําเนิดขณะที่มีความรู้แจ้งอยู่ภายในเนี่ยย่อมอยู่เหนือสิ่งที่ปรากฏให้เห็นและความว่างที่เราเรียกว่าการเตลนแปงเนี่ยซึ่งดูเหมือนจะเกิดขึ้นในโลกที่ว่างเปล่าว่าเป็นจริงเนี่ยย่อมมีสาเหตุมาจากแค่ความไม่รู้เพียงอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้น อย่าพยายามไปหาแสวงหาสัจธรรมเลยค่ะเพียงแต่แค่เลื่อนจิติดกับความคิดเห็นนะคะอย่าตกอยู่ภายใต้สภาพแห่งความเป็นของคู่ทั้งหลายแล้วก็จงหลีกเลี่ยงไล่ตามเช่นนั้นนะคะอย่างระมัดระวังนะคะแล้วก็ถ้ายังมีร่องรอยของสิ่งนูน้นสิ่งนั้นผิดถูกนะคะแกนแท้ของจิตเนี่ยก็จะถูกทำลายไปนในความสับสนของเราเองนะคะโดยประมาณเนี้ยคะ่ะ อาจจะฟังดูเอ๊ะอะไรไม่เข้าใจแต่ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยว จ, จะได้ได้เรียนรู้คำพูดพวกเนี้ไปเรื่อยๆค่ะก็จะเข้าใจนะคะขาาค่าสารทุกค่ะเนี่ยเรื่องพวกนี้นะที่โยมหนุ่ย้ยพพดมาเมื่อกี้เนี่ยนั่นแหละคือคือหยุดแล้วหยุดแล้วมันก็ถึงเข้าถึงสัจธรรมแต่ของเราเนี่ยมันมันหยุดไม่เป็นไง พอหยุดไม่เป็นเสร็จเอา้อาไอ้พูดแนะนำก็ก็ไม่หยุดด้วยคือพูดกันไปเรื่อยๆอนะเนาะหลวงก็จะชี้แบบนี้เลยว่าทุกคำถามเนี่ยมันก็คือสังขาร น, นะทุกคำตอบก็คือสังขารแต่ถ้าเรารู้จักแล้วเนี่ยว่าไอ้สังขารพวกนี้มันมันไร้สาระมันเกิดดับนะเราก็จึงไม่ต้องไปสร้างสังขารเพิ่มเพียงแต่อยู่เฉยๆพอสังขารปรากฏขึ้นในใจเนี่ยก็แค่รู้มัน ไม่ต้องวอยวายไม่ต้องอะไรเพราะมันกําลังแสดงความจริงว่าเนี่ยคือสังขารแล้วก็แค่รู้แล้วมันก็ดับไปแล้วก็อยู่กับเนี้ยอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยแล้วก็มันปรากฏใหม่ก็รู้แล้วก็ดับไปคําถามคําตอบคําเฉลยทั้งหมดมันอยู่ที่เฉพาะหน้าอยู่แล้วที่กําลังปรากฏพอรู้แจ้งรู้จริงอย่างเนี้ยมันก็หมดคําพูดที่ต้องอธิบายอะไรอีกเพราะทุกคําพูดมันก็คือสังขารเนาะก็เลยได้แต่รู้แต่เห็นไม่ต้องอธิบายอะไรเลย แล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยแต่คนเราก็อย่างว่ามันอดถามไม่ได้ไงมันต้องต้องให้เรารู้ก่อนแล้วค่อยละตัวเราทีหลัง <c oughs> แต่ของที่มันมันลลั่นสั้นๆที่เป็นปัจจุบันขนาดที่กําลังปรากฏอยู่เฉพาะทางจิตทางใจนะมันก็ปรากฏแล้วก็ดับไปปรากฏแล้วก็ดับไปรู้ดูคือในทางพ้นทุกข์เนี่ยมันไม่ต้องรู้มากหรอกแค่รู้สิ่งเกิดดับแค่นี้แล้วก็มันก็มีอยู่แล้วแค่นี้แล้วก็ ทิ้งหมดรู้อะไรก็ทิ้งหมดรู้อะไรทิ้งหมดการทิ้งหมดนั่นแหละคือการสลัดออกจากความยึดมั่นถือมั่นจนไม่มีอะไรเหลือเลยนะไม่มีอะไรเหลือมันก็ว่างเปล่าแะทีนี้ดีไหมห้องนี้เปิดแต่ว่าไม่ต้องพูดเลยเนี่ยแล้วก็เข้ามาปั๊บนี่ค่ะเข้ามานั่งนิ่งๆค่ะเข้ามาฟังเสียงเสียงที่เพราะไพเราะที่สุดนะคะก็คือเสียงเงียบค่ะ ซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่เสียงเงียบยังไงเสียงเงียบในใจเราเนี่ค่ะนะคะค่ะคุณเบนค่ะเดนเชิญค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณเบนค่ะค่ะเพิ่งเข้าสู่องการกรรมฐานนะคะอ๋อจัดตุค่ะเออมีกำหนดภาวะทีด่ดาค่ะมันตอนปวดหนอ่อมันก็แบบเหมือนรู้สึกว่าใจคอมันแบบ กวนกระ歪อะไรอย่างเงี้ยด้วยอ่ะคะ่ะแล้วอย่างเี้ยคือจะต้องกําหนดปวดหนอหรือว่ากํกกาหนดกวนกระ歪หนอก่ อ, อนดีอะค่ะอืมคือมันก็เดี๋ยวนะหลวงพ่อจะจะพูดตรงไหนก่อนดีโอเคพอมีความปวดก็คือรับรู้ได้ถึงความปวดเนาะค่ะ <c oughs> ความปวดเป็นเรื่องของของเวทนาที่เกิดขึ้นในกายนะ แต่จริงๆอะคนเรามันก็มีจิตด้วยนะทีนี้ให้สังเกตนะพอมีความปวดเนี่ยจิตเนี่ยมันเริ่มวอยวายนะจิตเนี่ยจะเริ่มวอยวายคือมันจะบ่นจะพูดจะพากในใจคือมันจะหงุดหงิดอ่ะบางทีเขาเรียกว่าจิตใจมันหงุดหงิดแต่ความจริงอ่ะมันเป็นเรื่องของของกายใช่ไหมของเวทนาทางกายแต่จิตใจอ่ะมันลามไปถึงใจเลยมันจะหงุดหงิดมันจะวอยวาย เพะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าเราฝึกรู้รู้เวทนารู้จิตเนี่ยนะเราก็ต้องรู้จักรู้จักเวทนาแล้วแต่ต้องรู้จิตด้วยว่าจิตน่มันวอยวายนะทีนี้ตอนนี้ก็ให้มีสติ <c oughs> เห็นการวอยวายเพราะการวอยวายตรงนี้แหละมันจะทำให้เป็นทุกข์ <c oughs> เป็นทุกข์ก็คือเหมือนกับว่าตัวเราเป็นทุกข์เองนะ่ะเพราะว่าเราไม่เห็นจิตพอไม่เห็นจิตปั๊บ <c oughs> ก็จะมีการไปยึดจิตเป็นเรากลายเป็นเราวอยวาย พอเราววายเสร็จแล้วก็ยังไม่เห็นจิตอีกว่ามันเป็นเรื่องของอาการทางจิตแต่ก็ยังยึดถือจิตเป็นเราก็ยังวยวายไม่เลิกแล้วความวยวายเนี่ยมันก็คือเป็นความทุกข์ของเราแต่ถ้ามีสตินะพอมีสติปั๊บเนี่ยมันก็จะเห็นจิตคิดจิตที่บนที่พูดที่ภาก็เห็นอยู่เมื่อเห็นอยู่ปั๊บเนี่ยมันก็จะไม่เข้าไปเป็นจิตเพราะมีสติเห็นจิตอยู่สติก็เป็นตัวดูเป็นตัวเห็นพอเห็นอย่างนี้ปั๊บ จิตก็ไม่ไม่เขาเรียกว่ามันไม่พยศอ่ะเออพราถูกเห็นแล้วนี่มันไม่พยศพอไม่พยศเสร็จจิตก็ตั้งมั่นขึ้นไอจิตวายเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมันหยุดการวายเพราะถูกเห็นด้วยสติเนาะพอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วพอวายใหม่เอ้าสติก็เห็นอีกว่าววายแล้วสติเนี่ยจึงตั้งมั่นจึงตั้งมั่นในการที่จะรู้ใจเห็นเพราะที่เราฝึกทั้งหมดเนี่ยเราฝึกสติให้สติเนี่ยสติสมาธิเนี่ยให้มันตั้งมั่นพอตั้งมั่นเสร็จแล้วมันก็จะเห็นทั้ง ทั้งกายเนาะกายนั่งอยู่หรือกายนอนอยู่แล้วก็เห็นเห็นเวทนาที่กําลังเจ็บอยู่แล้วเห็นจิตที่มันพูดมันภาคมันคิดรวมถึงจิตที่มีความโลภไม่อยากให้มีไม่อยากให้เป็นหรือว่าจิตมีโทส ะ, ะเมื่อเป็นอย่างนี้สติตามเห็นอยู่สติก็ตั้งมัน่นพอตั้งมั่นเสร็จอะไรเกิดขึ้นก็รับรู้รับรู้แบบสงบด้วยความตั้งมัน่นเพราะฉะนั้นที่ฝึกมาทั้งหมดนะก็ให้เน้นตรงที่ว่าเราฝึกสติ เราไม่ได้ฝึกที่จะจะได้หรือจะมีอะไรจะเป็นอะไรนะแต่ตรงนี้มันก็ต้องใช้ธรรมองค์ตัวอื่นๆมาประกอบเยอะเช่นขันติอะไรพวกนี้เนาะความอดทนอดกั้นใช้มากเลยนะนแต่ทั้งหม ด, ดแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นนี้นะให้เกิดปัญญาว่าทุกอย่างที่กำลังปรากฏเฉพาะหน้ามันเป็นสังขารนะกายก็เป็นสังขารเวทานาก็เป็นสังขาร ที่พูดที่ภาคที่คิดก็เป็นสังขารพรุงแต่งคําว่าสังขารยงเข้าใจได้เนาะใช่ไหมคือสิ่งคือร่างกายจิตใจรูรปธรรมนำธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นเนาะเป็นสังขารไม่เที่ยงวันนี้เนี่ยว่าไปเพราะนั้นพร้อมๆกันเนี่ยคือต่อยอดในทางปัญญาได้เลยคือเรื่องพวกนี้จริงๆมันไม่ใช่เข้าสมาธิหรอกเพียงแต่ว่ารู้เห็นตามความเป็นจริงเมื่อรู้เห็นแล้วเนี่ยก็ก็คืออย่าวกแวกอย่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็เป็นสมาธิที่ตั้งมั่นเนาะสติสมาธิตั้งมั่นแล้วก็ต่อไปก็จะเกิดปัญญา เข้าใจตามความเป็นจริงว่าทุกอย่างบังคับไม่ได้มันเจ็บก็มันเจ็บเวลามันหายเจ็บก็หายเจ็บคือทุกอย่างบังคับไม่ได้หมดก็เขาเรียกว่าเป็นสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเลยรวมเป็นไตรลักษณ์เลยเห็นไตรลักษณ์ไปเลยพอ ไ, ได้ไหมแบบนี้หรือว่าจะถามอะไรอ่ะหนูก็ถ้ากวนกระ歪หนูก็กําหนดว่ากวนกระ歪หนออย่างเงี้ยก็นนะคะแล้วก็ไ<อ>ยมาดูสิบตรงที่ปวดตรงที่แบบขาที่ปวดเทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช มันเป็นตอนที่ทําอยู่เนี่ยมันอาจจะเขาเรียกว่าเป็นสมาธิข่มก่อนนะนะแต่ว่าถ้ามันทนไม่ไหวก็ต้องต้องหนอะไปก่อนเพราะว่ามันเป็นการข่มนะแต่ว่าการข่มเนี่ยเราก็ต้องรู้จักว่าถ้าเราข่มเป็นนิสัยเนี่ยต่อไปเนี่ยพออะไรเกิดขึ้นปั๊บข่มหมดเลยอะไรเกิดขึ้นไม่ว่าจะมากจะน้อยข่มหมดเลยการข่มแบบเนี้ยมันไม่เกิดปัญญ า, <ร>าคือไม่เห็นตามความเป็นจริงอ่าเนาะ ก็ jour, หมายความว่าอันไหนที่มันกําลังสู้ได้ก็คือหลีกเลี่ยงกันข่มแล้วก็ให้เห็นตามความเป็นจริงคือพิจารณาตามความเป็นจริงที่มีในปัจจุบันเห็นความเป็นจริงยังไงเห็นว่ามันเป็นสังขารที่เกิดเองดับเองมันเป็นเองเห็นไหมมันปวดเองมันเป็นอย่างนั้นเองมันคิดเองมันมันเองหมดเลยก็จะเข้าใจเลยว่าอ๋อในตัวเราทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยเนี่ยมันเป็นสังขารปรุงแต่งแล้วก็เพื่อให้เกิดปัญญาเพื่อความหลุดพ้นก็คือให้เห็นถึงว่า มันเป็นเองไม่ใช่เรานะแล้วก็ไม่มีเราเลยในในขันห้าในสังขารทั้งหมดไม่มีเรามีแต่สังขารเท่านั้นถ้าเข้าใจแจม่มแจ้งว่าไม่มีเราเมื่อไหร่นั่นตรงนั้นนะความพ้นทุกข์ก็จะไม่ปรากฏแก่แก่เราเพราะเราไม่มี ม, มีแต่สังขารเกิดดับเกิดดั บ, ดบเนาะก็เพราะงั้นที่ทําไปคือทั้งทั้งสมถาทั้งวิปัสสนาเนาะคือเห็นอี้ค่ะคตอนปวดก็กําหนดปวดหน่องก็แบบเห็นเกิดดับว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งเหมือนก็ มันก็มันก็จางลงไปอ่ะค่ะแต่ว่าเอ๊ะมันก็ฝึกมาสักพักหนึ่งมันก็เห็นว่ามันมีอารมณ์อยู่ในนั้นด้วยว่าแบบบางครั้งร้อนบางครั้งแบบอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความกังวลกระวายบางครั้งเ่ยอันนพวกนี้เป็นสิ่งถูกรู้หมดเลยนะที่โยมเล่าเนาะความเจ็บก็เป็นสิ่งถูกรู้ความกังวลกระวายคือไอ้พวกนี้เขาเรียกว่าเป็นเป็นเป็นปรากฏการณ์เป็นอาการของ ของอะไรของกายของเวทนาของจิตของธรรมะหน่ยเนี่ยเป็นปรากฏการ์ทั้งหมดเลยนะอันนี้ก็ในค่ะคหลวงพ่อในในชั้นนี้ก็คือเรียนรู้ตามที่มันมันเป็นนั่นแหละแต่ต่อมาเนี่ยอาอหลวงพ่อต้องเน้นก่อนคือเรียนรู้มันก่อนเอาตัวเราเนี่ยเหมือนกับว่ามีตัวเราเนาะเป็นผู้เรียนรู้มันเนาะอแต่จริงอ่ะมันตัวเราไม่มีแต่ว่าในชั้นเนี้ยมันยังเป็นตัวเราอยู่คือตัวเราเป็นผู้เห็นมันว่ามันเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้อย่างนี้ แล้วก็ต่อมาก็ต่อยอดในทางปัญญาอีกว่าไอ้ตัวเราที่เป็นผู้ดูผู้รู้เนี่ยไอ้นี้ก็เป็นสังขารไม่เที่ยงเหมือนกัน <ocur Democrat. S 2> แล้วก็ทิง้งทิ้งก็คือไม่ยึดตือไม่ยึดตือตรงนี้คือไม่ยึดถือตัวเราอันแหละเพราะว่าเข้าใจถูกแล้วว่าไอ้ตัวเรามันก็ไม่ใช่หรอกมันเป็นแค่สังขารที่ไม่เที่ยงเหมือนกัน<ร>เพราะฉะนั้นสิ่งถูกรู้ทั้งหมดก็เป็นสังขารไม่เที่ยงไอ้ตัวผู้รู้ก็เป็นสังขารไม่เที่ยงสุดท้ายเนี่ยเมื่อมีปัญญาเห็นตรงนี้วางหมดเลยให้มันเป็นไปตามที่มันเป็นแต่ไม่่มมมีีผูู้ยึดถือไ ไม่มีตัวเราเป็นผู้เป็นผู้รู้ไม่มีตัวเราเป็นผู้ดูแล้วมีแต่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นเลยค่ะนี่ล <ง S 2> หลวงพ่อแบบวบูฒิัตตัดความมากนะอเร น, น่องปัญญามันไปถึงถูกไหมครับว่ามันเหมือนกับว่าหนึ่งนาทีเหมือนกับว่าเราเนี่ยมีแค่สภาวะเดียวต่อแบบเสี้ยววินาทีอ่ะค่ะเขาเรียกว่ายังไงดีอะเหมือนกับว่าตอนที่กวนกวายมันก็จะแบบ ไม่ได้ปวดอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนแค่เสี้ยวนิดนึงอะค่ะหลวงพ่อจะอพูดยังไงดีอ อ, อืก็มองเป็นอย่างนั้นการเสี้ยวนิดเดืองก็เป็นสิ่งถูกรู้เนาะเอาเป็นว่า <ứng. S 2> มันเป็นเช่นนั้นแหละมันเป็นเสี้ยวนิดเดียว<ป>แล้วก็เอเอก็ผ่านไปแต่ที่สําคัญนี่ให้รู้ว่าไอ้ตัวที่รู้ไอ้ผู้ที่รู้ว่ามันมีเป็นเสี้ยวนิดเดียวเนี่ยตรงเนี้ยต้องต้องรู้ด้วยนะว่าไอ้ตัวรู้เนี่ยคือมันสังขารเหมือนกันไม่ใช่เราไม่อย่างนั้นเนี่ยมันความเนื่นช้าจะบังเกิดขึ้นคือเนื่นช้าว่า ที่มันเดิ่นช้าคือมันไม่กลับมาเห็นว่าผู้รู้เนี่ยคือไม่เห็นว่าผู้รู้เนี่ยมันเป็นสังขารไม่เที่ยงที่หลวงพ่อพูดก็คือเพื่อให้รู้จักไอตัวนี้<ช>ด้วยเพื่อจะได้วางผู้รู้<ช>ผู้รู้ตัวไหนผู้รู้ที่ว่ามันเซี่ยวนิดเดียวน่ะไอตัวเนี้ยวางตัวนี้ด้วยค่ะคขอบคุณนะคะหลวงพ่ออืมฟังบ่อยๆนะถ้าฟังหลวงพ่อนะจะได้เข้าใจเร็วถ้าเป็นปัจจุบันตอนนี้ ก, ก็ให้รู้ว่าเนี่ยที่มาคุยกับหลวงพ่อก็เป็นสังขารเนะาะ ความเจ็บความปวดตอนนี้อาจจะไม่มีแต่สิ่งที่มีคือเนี่ยที่กําลังพูดกําลังถามหลวงพ่อเนี่ยไอตัวนี้ก็คือปล่อยวางเหมือนกันเพราะมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันค่ะค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์เจาา้าคะค่ะสาธุค่ะคุณเบนคะ่ะเขาจริงๆต้องบอกว่าความสงบนะคะและความไม่สงบเนี่ยจริงๆก็หรือแม้กระทั่งความอยากความไม่อยากก็ล้นเกิดจากภาพลงตายอย่างที่หลวงพ่อบอกว่าก็เป็นสังขาร น, นะคะ เรารู้เลยค่ะว่ามันเป็นสังขารไม่ว่าจะชอบจะไม่ชอบจะดีจะไม่ดีมันจะไม่เกิดขึ้นค่ะถ้าเราเข้าใจมันนะคะแล้วอีกทั้งความสงสัยแล้วก็ความในลภใจจะหายไปการบุญงชีวิตด้วยศรัทธาที่แท้จริงอะ่ะมันก็เป็นไปตามธรรมชาตินะคะค่ะก็เรียนเชิญนะคะท่านใดต้องการขึ้นมาสนทนากันนะคะตอนนี้ก็ กล้เวลาแล้วนะคะหลวงพ่อเปิดตั้งแต่ทุ่มครึ่งนะคะอืรู้ตัวรู้ตัวเองรู้ ต, ตัวเองตัวเองนั่งอยู่ก็รู้ได้เห็นไหมตัวเองในี่จหลวงพ่อ ก, กำลังทบทวนเพื่อให้กลับมาเนาะเพื่อให้รู้จักตัวเองว่าตัวเองเนี่ยที่เรียกว่าตัวเองนี่แหละเออ ร่างกายอยู่ในอาการอย่างไรอย่างไรก็รู้ว่าอยู่ในอาการอย่างนั้นอย่างนั้นเช่นอยู่ในอาการท่านั่งกลับมาก็รู้ได้นี่เห็นไหมเราไม่ต้องใช้ตาดูไอรู้แบบเนี้ยครูบาอาจารย์บางท่านท่านบอกว่ามันเป็นญาณเออเป็นญาณบางคนก็บอกว่าสติก็ได้หมดอแะแล้วแต่สมมติแต่เอาเป็นว่าไอรู้เราอะมันมีอยู่จริงเนี่ยนั่งอยู่ก็ก็รู้เราได้ว่าเรานั่งและลองลอง โยกตัวดูเนี่ยโครงเครลงเนี่ยก็เรียกว่ากายเคลื่อนไหวเนาะก็รู้ได้รู้ได้คือเราฝึกรู้นะเราไม่ได้ฝึกให้กายเคลื่อนไหวแต่กายเคลื่อนไหวเนี่ยมันเป็นตัวล่อให้เกิดการรู้ขึ้นมาทีนี้ถ้าทําให้ต่อเนื่องนานๆเนี่ยสมมติว่ารู้อยู่รู้อยู่อย่างเงี้ยต่อเนื่องนานๆเนี่ยความคิดที่เคยฟุ้งซ่านเนี่ยมันมันหยุดลงไงเพราะว่ามันเปลี่ยนมาเป็นรู้เมื่อความคิดฟุ้งซ่านหยุดลง ก็จะพบว่ามันจะมีความสงบอเป็นความสงบไม่วุ่นวายจะเรียกว่าอ่าตอนนี้สงบแล้วสบายคือไม่คงสั้นไม่คงสั้นไม่เป็นทุกข์ไม่อะไรมันสบายอ่ะก็เรียกว่ามันเป็นสมาธิเนะาะก็ฝึกรู้เนี่ยโยกเยกไอย่งนี้นะกายแนวหลวงพ่อเทียนเนี่ยท่านไม่ให้นั่งนิ่งเลยอ่ะต้องเคลื่อนไหวแล้วรู้แล้วหลวงพ่อก็เห็นด้วยว่าเออการที่เรานั่งตัวแข็งทื่อเป็นก้อนหินแล้วมันมันไม่รู้มันเหมือนกับมันไม่ตื่นตัวแล้วสุดท้ายก็ ว่าเงาเหงนอนหลับแต่ถ้านั่งเคลื่อนไหวเนี่ยก็มันทําให้จิตมันตื่นเนาะจิตตื่นรู้ตื่นรู้พอทํานานๆเนี่ยมันเห็นผลจริงๆว่าความคิดน้อยลงแล้วก็ความส ง, งบชอบอะไรเดี๋ยวก็ชอบพอชอบเสร็จเดี๋ยวมันก็ยขยันแล้ว <c oughs> อ๋พอพอพมันชอบแล้วเนี่ยเออมันต้องไปตามลําดับนี่แหละต้องชอบไว้ก่อน <c oughs> พอชอบเสร็จเป็นความพึงพอใจแล้วก็ชอบเคลื่อนไหวนั่งนั่งโยกเยกคงเทงหันท้ายเล็กนั่งบิดคอเกลอ่ยเนี่ยเป็นโยคะก็ได้เป็นอะไรก็ได้เนี่ย นั้นปฏิบัติทํามเห็นไหมมันก็ง่ายนิดเดียวเนี่ยอันนี้เบื้องต้นนะเนาะทำไทำไจริงแล้วก็ปฏิบัติค่ะหลวงพ่อค่ะแล้วก็ระหว่างทําแบบเนี้ยนะถ้าใจไม่เหมื่อเพลินไม่ใจลอยเนี่ยมันก็จะเห็นสิ่งอื่นๆที่เกิดขึ้นในร่างกายอีกเนาะเช่นรู้สึก<ช>ร้อ น, อนร้วูบๆวับวหรือว่าอาจจะตึงๆึงเม่อยเมื่อยหรืออะไรก็แล้วแต่เนะี่ยมันก็รับรู้ได้เนี่ยถ้ากับมีสติละอ่ะาแล้วก็ต่อมาก็จะเห็นนั่งโยกตัวไงมันก็จะเห็นความคิดแวบแๆๆเหมือนความแรกมาเนาะ คิดไอ้นั่นนิดไงนี่หน่อยหนึ่งแวบบ๊แบบแวบบ๊แต่เราไม่สนใจไงเพราะเราอยู่กับการโยกตัวนี่เนาะ อ, อก็จะเห็นว่าอ๋อไอตัวแวบบ๊แบบแวบบมันก็เกิดดับะนะเออถ้าพูดถึงมันมีแล้วหมดมีแล้วหมดเนี้ยอ่าแล้วก็ต่อมาอีกอะไรไม่รู้มันม า, มามากมายเนาะบางทีทํานานออกความวุ่งก็มาความขี้เกียจ ก, ก็มาอก็รู้ได้อีกเนาะเออเพราะมันมีตัวรู้แล้วนี่แต่รวมแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นที่รู้มาทั้งหมดนั่นแหละคืออย่าไปหลงยึดถือว่ามัน มันเป็นอะไรมันเป็นตัวเป็นตนคือแค่รู้ว่ามันมีแล้วมันหมดมีแล้วหม ด, ม, ห ม, ดมีแล้วหมดอย่างเงี้ยมันเดินปัญญาได้เลยอ่ไม่ต้องเข้าสมาธิลึกเออแล้วพอเดินปัญญาได้ก็เรียนรู้เดินปัญญาตลอดอะไรเกิดขึ้นรู้แล้วรู้แล้วก็เออก็ได้แค่รู้ไม่เอาไม่ยึดเนี่ยหัดไปหัดปล่อยหัดวางอย่างนเนีย้ยเนาะสุดท้ายมันก็เออรู้แล้วก็ไม่ยึดก็คือได้แต่รู้ไปนแล้วมันจะพ้นทุกตรงที่รู้แล้วไม่ยึดเนี่ยอืมใช่ ไม่ใช่ว่าไม่ทุกนะคะเราปฏิบัติธรรมเนี่ยแต่บางคนบอกไม่เอาทุกเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าความทุกเนี่ยมันเป็นยาดีของชีวิตนะคะสังเกตค่ะแับครูบาอาจารย์เรานะคะไม่ว่าจะเป็นแบบหลวงปู่หลวงตาท่านไหนท่านเข้าหาทุกหมดนะคะค่ำไหนนอนนั่นท่านเนี่ยมองทุกว่าเป็นมิตรที่ซื่อสัตย์นะคะช่วยฝึกให้เราเห็นความจริงได้เป็นอย่างดีในความทุก์เนี่ยไม่เคยโกหกเราค่ะความทุกมีแต่บอกความจริงของชีวิตดังนั้นอะทุกเนี่ยเป็นมิตร ผู้ซื้อสัตว์มากๆนะคะเพราะว่าทุกอะ่ะช่วยสอนวิชาออกจากความทุกขนะคะไม่อย่างนั้นเราจะไม่ไม่รู้เลยค่ะว่าอ๋อมันเป็นวิชายัางไงนะคะนั่นก็คืออยู่กับความจริงนะคะไม่ว่าจะเป็นทุกข์เป็นสุขแต่ว่าอยู่กับความที่ไม่ใช่เรานะคะอย่างที่หลวงพ่อบอกว่าเนี่ยถ้าเราเข้าใจแล้วก็มีปัญญารู้ว่านี่เป็นสังขารเราเรียนรู้เข้าใจอย่างเนี้ยค่ะมันก็จะง่ายต่อการใช้ชีวิตแล้วค่ะนะค ะ, นะคะ มันมีถ้าใครแต่พวกเราถ้านักปฏิบัติธรรมที่คุ้นเคยนะก็จะคงน่าจะเคยได้ยินนะเรื่องของ เ, อเรื่องธงกับลมนะ <c oughs> ที่มันมันโบกไหวๆอนี้แล้วก็ไอคนที่ไปเห็นเนี่ยก็มีการโต้เถียงกันว่าไอที่เห็นเนะี่ยไอธงไหวมันก็เถียงกันเป็นประเด็นว่าเออธงไวหวนรือลมพัดเนี่ยประมาณนี้นะ <c oughs> ตรงนี้ทำให้ถ้าเรา เข้าใจแล้วเนี่ยมันใช้ในการปฏิบัตินะในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีนะก็คืออะไรล่ะอเออโยมหน่่ยน้ยพอจะเล่าให้ละเอียดได้เนาะเรื่องธงกับเรื่องลมเนาะหลวงพ่อมันไม่ค่อยจําอะไรอะแต่ว่าพอพอรู้เข้าๆว่าเอิมเป็นอย่างนั้นแต่เดี๋ยวหลวงพ่ออาจจะเสริมหรือส่วนไหนที่อีกทีก็ว่ากันอีกทีหนึ่งโยมเล่าก็ได้อ๋อค่ะก็น่าจะเออเป็นเออไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นคําสอนหรือว่าอะไรอ่ะนะคะ เกี่ยวกับน่าจะเป็นของท่านอะไรสักท่านนะฮะหจำไม่ได้แต่ว่าเรื่องราวประมาณว่าเป็นนิทานเซนนะคะว่าลมพัดนะเป็นลมพัดหรือว่าธงไหวกันแน่นะคะก็มีเป็นอาจารย์เซนน่าจะท่านวัยหลังเนี่ยค่ะนะคะท่านท่านวัยหลังค่ะก็ในจําได้ว่าตอนนั้นเนี่ยท่านวัยหลังเนี่ยในสมัยจีนสมัยนั้นเนี่ยล่าสุดได้จําวัดอยู่ที่วัดวัดแห่งหนึ่งนะคะซึ่ง ท่านพระท่านพบพระสองรูปทึ่กำลังถกเถียงกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของธงแล้วก็เรื่องของลมนะคะพระรูปหนึ่งก็กล่าวว่าเนี่ยเห็นชัดๆว่าธงกำลังปลิวสวายนะคะพระอีกรูปหนึ่งก็ค้านว่าเป็นลมต่างหากที่ไหวถ้าหากไม่มีลมธงจะปลิวได้ยังไงนะคะพระทั้งสองรูปก็ต่างยึดเหตุผลของตนเป็นใหญ่นะคะถกเถียงกันไม่เลิกเลยนะคะไม่มีใครยอมใครเลยในที่สุดเนี่ยนะคะอาจารย์เซนเนี่ย ที่ฟังข้างหลังน ะ, ะงก็เลยลอ่าก็คือท่านไวหลักเนี่ยคะก็เคยกล่าวขัดขึ้นมาว่ามิใช่ธงไหวและมิใช่ลมไหวแต่เป็นใจของพวกท่านต่างหากที่ไหวนะคะก็เราก็ได้ได้นยคะ่ะความรู้สึกแล้วก็ความรู้แล้วก็เกิดกลับมาที่ตัวเองเนี่แหละคะ่ะว่าเอ๊ะแล้วเราล่ะนะคะเนี่ยเราเข้ามาในห้องนี้เหมือนกันเราฟังคนโน้นเราฟังคนนี้เราใช้ใสายตา ม, ม, ออนน ون, มองอันนู้นมองอันนี้ เราลืมไปหรืออย่เรากลับมาที่ดูที่ใจของเรานะอะไรไหวกันแน่นะคะหูไหวหรือเปล่าหรือว่าใจไหวนะคะค่ะหลวงพ่อเชื่อเลยค่ะใเพราะเรื่องราวที่ที่เล่าอะนะหมายถึงว่าผู้ที่ขาดสติลืมตัวก็จะรู้แต่ด้านนอกแต่ผู้ที่มีสติก็จะเห็นด้านในด้วยว่าทุกอย่างเนี่ยที่พูดออกไปเนี่ยมันเกิดจากความคิด เป็นความคิดปรุงแต่งนั่นแหละคือความไหวของของจิตนะก็เรียกว่าจิตมันไหวถ้าผู้มีสติก็จะเห็นเหมือนวลางอย่างนี้ยท่านเห็นแล้วเขท่านก็มาสะ ก, กิดบอกว่าว่ า, าใจของคุณต่างหากที่มันไหวนะทีนี้ไอ้สองคนนั้นนะที่ถกเถียงกันเกิดสติปัญญาขึ้นมาก็คือเห็นจริงตามที่เวลางชี้บอกว่าเออที่เราเถียงกั น, ก น, กนเราออกความเห็นกันที่แท้เนี่ยมันออกมาจากใจนี่ ม, นมันคิดเอาเองอ่ะนะตรงนี้ก็เรียกว่ารู้อย่าง พู้มีสติแล้วก็พอเป็นอย่างนี้แต่แล้วเนี่ยก็จะเข้าใจเลยว่าแม้กระทั่งจิตปรุงแต่งะมันก็ยังเกิดดับใช่ไหมอันนี้หลวงพ่อขยายเองว่า เ, เมื่อเห็นแล้วเนี่ยก็จะรู้เลยว่าไอความคิดเนี่ยมันก็เป็นแค่สิ่งเปิดดับเกิดดับมันไม่มีอยู่จริงเกิดแล้วดับเลยเกิดแล้วดับเลยนะมันจึงไร้ค่ามันเป็นแบบไร้สาระมากนะทีนี้พวกเราปฏิบัติเนี่ยถ้านึกถึงส่วนนี้ได้แล้วออกมาใช้เนี่ยในชีวิตประจําวันใช้ได้เลยว่า เวลาเราเห็นตามองเห็นเนาะมองเห็นภายนอกในเห็นเห็นรถเห็นุมเห็นคนอะไรต่างๆเนะี่ยแต่ตัวที่มันปรุงแต่งอะตัวที่ไหวอะก็คือจิตของเราเพราะฉะนั้นให้รู้ทันจิตแล้วก็รู้อยู่อย่างนั้นแล้วก็จะเห็นความเกิดดับเกิดดับถ้าใครปฏิบัติอย่างเนี้ได้อย่างชํานาญนะไม่ว่าเหตุการณ์อะไรเห็นจิตตัวเองเนี่ยมันก็จะปล่อยวางได้นชนิดที่ไม่ยุ่งยากเลยเพราะทุกอย่างเนี่ยมันเกิดมาจากความคิดนี่แหละ ที่จะทําให้มีสิ่งนั้นมีสิ่งนี้ขึ้นมาเพราะนั้นเมื่อเห็นว่าความคิดเกิดดับความคิดเกิดดับปับ๊บมันก็ไม่มีอะไรแล้วนี่อืม <S <S มันไม่มีอะไรเพราะนั้นเนี่ยต้องจิตเห็นจิตอย่างนี้ก็ถึงเขาเรียกว่าเป็นมรรคเป็นผลกันเลยมันก็ง่ายนิดเดียวและเครรู้ทันจิตคิดเนี่ยแค่นั้นแหละแล้วก็มันเกิด <S <S <ๆ>ก็เห็นเหมือนความาแ็บจริงๆเลยเหมือนปั๊บปั๊บปัเน่นก็เ บ, บ, บ, บางทีเนี่ยที่คนมันติดกันเนี่ยมันติดกันก็คือไม่เห็นตรงนี้แหละเช่นไม่เห็นอะไรสมมติว่า ที่คิดว่าเนี่ยตอนเนี้มีตัวตนมีเราเนี่ยมันเกิดจากความความคิดทั้งหมดเลยตอนนอนหลับไม่เห็นมันคิดมันก็ไม่เห็นมีตัวตนเนาะเออแต่พอพอตื่นมามันก็คิดอีกแล้วเออเรายังมีทุกข์อยู่เลยเราอยากจะเนี่ยมันคิดทั้งหมดเลยอ่ะมันไม่มีเราจริงอ่ะมีแต่สังขารที่เป็นเนี่ยเรียว่าจิตต์สังขารนะมันมีแค่นี้เองอย่างอื่นเนี่ยไม่มันเป็นสิ่งอะไรล่ะเขาเรียกว่าความเป็นตัวเราไม่มีเลยอ่ะนะที่มีก็มีแค่ความคิดนี่แหละที่ตัว ตัวที่แบบที่มันปรุงแต่งมันสร้างเรื่องขึ้นมาว่าเราเป็นทุกบ้างเราเป็นอย่างงู้นเราเป็นอย่างนี้น เ, ร เ, นนเราจะไปปฏิบัติธรรมที่นู่นเราไม่เอาที่นี่เห็นไหมมันจากความคิดหมดเลยเพราะฉะนั้นนะให้มีสติรู้เท่าทันตรงเนี้ยแล้วก็จะพ้นทุกข์ดับทุกข์ได้เลยนี่คือหัวใจเลยแหละตรงเนี้ยพระพุทธเจ้าเนี่ยก่อนตรัสรู้เนี่ยท่านเห็นความคิดมากมายตอนที่ตามประวัตินั่ก็คืออย่างเช่นนั่งใต้ต้นโพใช่ไหมตามที่เราได้ยินเนี่ย ระหว่างที่ท่านนั่งเนี่ยท่านอ า, อาศัยอาณาปณะสติคือกําหนดลมหายใจเป็นเครื่องรู้ของจิตเนี่ยก็หายใจเข้าหายใจออกก็รู้รู้ ร, ร, รู้แต่ทีนี้พอมีความคิดเกิดขึ้นนี่ยมันต้องมีความคิดสิใช่ไหมเช่นคิดถึงพิมพาคิดถึงราหุลคิดถึงพ่อคิดถึงแม่แล้วก็คิดถึงความอะไรต่างๆเนี่ยที่ตอนที่เป็นก่อนที่จะออกบวชอะสิ่งพวกนั้นอะมันมีมาให้ระลึกนึกถึง รวมถึงคิดถึงนางสนมกำนันเช่นเนี่ยอาจจะคิดถึงว่านี่เรามานั่งทรมานทําไมอยู่นน่นมันก็มีความสุขความคิดเหล่านี้มีแต่เนื่องจากว่าท่านเนี่ยมีสติอยู่กับลมจนสติเนี่ยตั้งมั่นเห็นความคิดแต่ไม่ไหลไปกับความคิดแล้วก็รวมถึงเห็นความคิดมันเกิดมันดับท่านเห็นแจ้งแค่นี้ท่านเห็นเลยว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็มีไอตัวความคิดตัวเดียวแหละที่จะทําให้เป็นโน่นเป็นนี้ พอจิตตั้งมั่นเนาะตั้งมั่นเป็นสมาธิเป็นปัญญาท่านรู้เท่าทันหมดเลยจึงรู้ว่าคือมันรู้เท่าทันหมดอ่ะเนาะก็เลยไม่เข้าไปเป็นสิ่งนั้นก็หลุดพ้นมาจากความปรุงแต่งเนี่ยมันเป็นความหลุดพ้นหลุดพ้นได้เพราะอะไรหลุดพ้นด้วยกําลังของสมาธิที่ตั้งมั่นไม่ไหลไม่ไห ล, ไไหลตามความคิดแล้วก็มีสติปัญญาเห็นตามความเป็นจริงว่าความคิดก็ไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับไปนะ จนกระทั่งแจ้งแทงตลอดว่าทุกอย่างมีแต่สังขารเท่านั้นที่เกิดขึ้นนะมีแต่ทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นมีแต่ทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่มีแต่ทุกเท่านั้นที่ดับไปนอกจากทุกแล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรตั้งอยู่ไม่มีอะไรดับไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดที่ดับเนี่ยที่เขาเรียกว่าเป็นสังขารบ้างหรือเรียกว่าเป็นทุก์บ้างแต่ความไม่สังขารความไม่ความไม่สังขารคือเป็นสิ่งที่ไม่ปรากฏนะ พระพุทธเจ้าจึงพบธรรมชาติสองสิ่งคือเป็นพระพุทธเจ้าพบเป็นธรรมชาติสองประเภทกันเลวกันใช้คําว่าสองประเภทประเภทหนึ่งคือประเภทที่เป็นสังขารปรุงแต่งเกิดดับประเภทหนึ่งเป็นวิสังขารคือไม่ปรุงแต่งไม่เกิดไม่ดับพระพุทธเจ้าจึงพบทำสัจจะสูงสุดคือความไม่เกิดไม่ดับซึ่งมีอยู่จริงนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยเบื้องต้นก็คือให้รู้จักสังขารที่เกิดดับก่อนนะจนแจมแจ้งในสังขารเกิดดับแล้วก็ไม่ยึดไม่ถือปล่อยวางหมดแล้วสุดท้ายก็จะเข้าใจเรื่องความเป็นวิสังขารคือความไม่เกิดไม่ดับนั่นแหละคือสัจธรรมสูงสุดพ้นจากการเกิดดับพ้นจากการเกิดการตายไม่มีเราอีกแล้วที่จะต้องมาเวียนเกิดเป็นตาย เดี๋ยวถ้ายมติดตามฟังบ่อยๆนะหลวงพ่อก็บางครั้งก็จะพูดถึงสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับด้วยแต่ถ้าพูดตอนนี้บางทีมันก็ดึกบ้างแล้วก็อาจจะสับสนอยู่เพราะว่าแค่สิ่งเกิดดับก็ยังรู้แจ้งไม่หมดเลยอ่ะข้ามไปตรงโน้นเดี๋ยวมันก็จะงงสับสนก็คอยติดตามกนแล้วกันค่ะคุณนพพลัชค่ะเลนเชิญค่ะอ่ะเมื่อกี้ฟังเรื่องนิทานเซนก็เลยนึกถึงคาสอนหลวงพ่อเทียน ที่อยากให้หลวงพ่อช่วยขยายความนะฮะที่ท่านพูดถึงว่าให้เห็นอาการอย่าไปเห็นเรื่องราวอะไรครับผมจําไม่ได้ชัดเจนนะแต่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่านะครับ<ม> ก, ก็ความเมตตาหลวงพ่อเลยครับเคยอ่านหนังสือหลวงพ่อเทียนใช้คําว่าถ้าผู้ปฏิบัติเนี่ยนะถ้าเห็นจิตคิดเนี่ยถ้าเห็นจิตคิดเนี่ยท่านบอกว่าได้ได้ต้นทางของการปฏิบัติ นะต้นทางคือก็คือได้กระแสนะที่จะเข้าสู่กระแสเป็นพระอริยบุคคลนะ่ะได้กระแสนะก็คือกระแส น, นิพพานนั่นแหละที่ท่านพูดอย่างนี้ท่านก็ไม่ได้ขยายความแต่หลวงพ่อก็เข้าใจว่าเออคือเข้าใจเอาเองนะว่าความคิดเนี่ยมันเป็นสิ่งปุงแต่งเป็นสิ่งเกิดดับถ้ารู้ไม่ทันเนาะมันก็ไหลเข้าไปเป็นผู้คิด เมื่อไหลเข้าไปเป็นผู้คิดเสร็จแล้วก็จะเป็นผู้พูดผู้ทำเพราะการพูดการทำเนี่ยมันออกมาจากความคิดก่อนทีนี้เมื่อไม่เห็นมันก็กลายเป็นเป็นตัวเป็นตนคือเราเป็นผู้คิดแล้วยวพอคิดแล้วมันก็ทำเราเป็นผู้ทำนะแล้วก็เมื่อคิดแล้วเวลาพูดเราก็เป็นผู้พูดแต่ถ้าเห็นต้นทางว่าความคิดนี่แหละมันจะส่งผลให้เกิดนูน่นเกิดนี่ก็ เ, เรียกว่าดับ ต้นต่อของการพูดการกระทําดับโดยวิธีคือรู้เท่าทันความคิดเมื่อรู้เท่าทันความคิดเห็นการเกิดการดับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ไม่ให้ลากยาวเนาะไม่ให้ลากยาวเป็นการกระทําที่ผิดๆอย่างงู้นอย่างนี้ก็เลยเหมือนกับว่าถ้าพูดถึงปฏิจจสมุปบาทนะหลวงพ่อเทพเคียงเลยว่าทีป่ปฏิจจสมุปบาทที่ทําให้เกิดสังขารนะเพราะอะไรเพราะไม่รู้พอไม่รู้เสร็จแล้วมันก็เป็นความคิดขึ้นมา พอสุดหลวงพ่อเทียนเมื่อมีสติรู้เท่าทันความคิดความคิดจึงดับใช่ไหมเพราะฉะนั้นการรู้ของหลวงพ่อเทียนก็คือวิ ช, ชานะมันเป็นวิ ช, ชาคือรู้รู้ทันรู้แล้วเมื่อรู้แล้วมันก็ทําให้ไข่เกิดทั้งหมดเนี่ยสังขารต่างๆสังขารปรุงแต่งที่จะให้มีอย่างโน้นอย่างนี้มันดับตลอดสายนะแต่ถ้าลองรู้ไม่ทันความคิดสิมันก็ถึงเป็นสังขารแล้วก็ปัใจจัยให้เกิดวิญญาณเกิดอะไรเนี่ยตามสูตรปฏิจจสมุปบาท หลวงพ่อเทียนก็ยังเคยพูดถึงเรื่องนี้ว่าจริงๆอ่ะปฏิจจสมบูรณ์มันเป็นคำพูดมันเป็นการแต่งคำแต่ถ้ารู้ทันความคิดเนี่ยมันดับเลยมันดับทั้งสายจึงไม่ต้องอธิบายมากที่หลวงพ่อพูดแบบหลวงพ่อเทียนพูดแบบนี้ว่าอะไรหลวงพ่อเทียนเป็นคนอ่านหนังสือไม่ได้เขียนหนังสือไม่ออกแต่ท่านรู้จริงเห็นจริงว่าการดับอ่ะดับอวิชชาเนี่ยคือตรงที่รู้สึกตัวนี่แหละอ่าก็คือรู้เท่าทันความคิดและความคิดก็ ถูกดับเป็นค่ะว่าทุกครั้งที่คิดรู้ทันทุกครั้งที่คิดรู้ทันความคิดก็ไม่ต่อคือมันไม่มันไม่ต่อติดให้เป็นเรื่องราวใช่ไหแต่ถ้าความคิดมันคิดคิดคิดมันก็สามารถที่เป็นเรื่องเป็นราวได้แต่ของหลวงพ่อเทียนเนี่ยมันไม่อาจจะจะเป็นเรื่องเป็นราวได้เพราะว่าพอความคิดโผล่ปั๊บถูกรู้แล้วก็ดับแล้วก็ถูกรู้แล้วก็ดับคือถูกตัด ตุกตัดตุกตัดตุกตัุกตัสับเป็นท่อนๆน่ะสับเป็นท่อนๆก็เลยต่อเป็นเรื่องราวไม่ติดอันนี้กรณีที่ท่านพูดถึงเหมือนถึงว่าเข้าใจรู้เร็วเท่าทางความคิดแต่ไม่ใช่ว่าแม้พอรู้อย่างนี้เสร็จแล้วตัตัตัตัดท่านบอกว่าเวลาทํางานก็ก็ให้ความคิดทํางานเพราะว่าใช้ประโยชน์ได้เนาะเออเอาสังขารเอาความคิดทํางานวางแผนที่จะทําอะไรก็ทําไป แต่ที่คิดจะให้เป็นทุกข์อ่ะไม่มีทางเลยที่จะให้เป็นทุกข์ได้เพราะว่าถูกตัดขาดด้วยการรู้ทันครับขอบคุณครับ